แต่มันกลับเป็นฝ่ายไม่เยี่ยมเราเสียก่อนแล้วที่โป่งกระทิงนี่คำพูดของแง่ทรายช่วยให้พรานใหญ่ตัดสินใจโดยเด็ดขาดได้ในบัตรนั้นเอื้อมมือไปตบหลหนุ่มชาวดงร่างยักษ์พูดโดยเร็วทั้งนั้นความเข้าใจของฉันกับแกตรงกันเร็วก็เถอะแงซทรายปลุกพวกเราทุกคนให้ตื่นขึ้นเดี๋ยวนี้สำหรับพวกลูกหาบยังไม่ต้องบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกไปปลุกเกิดเสยจันขึ้นก่อน ฉันจะเข้าไปที่กระโจมในจ้างเองแง่ซ า, ายพระแย่จากเขาอย่างรวดเร็วตรงไปปลุกพวกพรานทั้งสามของระพินในขณะที่พรานใหญ่ตรงเข้าไปในกระโจมคนแรกที่เขาปลุกขึ้นก็คือเชษฐาเป็นการปลุกโดยพยายามไม่ให้มีอะไรเป็นที่ตื่นเต้นตนุกตกใจแต่ถึงเช่นนั้นหม่อมราชวงศ์เชษฐาก็ไม่วายปร ะ, ระหลาดใจได้เฉลียวคิดในทันทีเมื่อลืมตาขึ้นเห็นระพินเป็นคนปลูกเกลี้ยเขาราชนิกู่ม พวดขึ้นจากเตียงโดยเร็วเะพีนเกิดอะไรขึ้นรือเขาถามโดยเร็วสระดความงวงเงยียออกไปในทันทีไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรนักหรอกเพียงแต่ว่าไอ้แหว่งที่เราพูดถึงมันอยู่ตอนหัวค่ำนี่แอบยกขยงมาชุมนุมกันอยู่ที่หนองน้ำข้างล่างผมไม่แน่ใจว่ามันจะบุกเข้ามาที่แคมป์ของเราหรือเปล่าเช่ถามไม่ตะลึงไม่หมัวซักถามอะไรให้เป็นที่เสียเวลาอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียว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 จุด470 Double Rifle ในขณะที่หม่อมราชวงศ์หญิงดารินกระชากจุด458 Magnum อฟริกันกระบอกซึ่งในเวลาไม่เกิดเหตุฉุกเฉินวิกฤตการขึ้นหล่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกล้าเหนี่ยวไกมันหรือไม่เพราะอำนาจแรงสะท้อนถอยหลังที่เกินกำลังของผู้หญิงในยามแววชื่อไอ้แหว่งเช่นนี้หญิงสาวดูเหมือนจะลืมอำนาจสะท้อนถอยหลังของมันเสียอย่างสนิท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 ทั้งสามย่อมมีสติดีพอที่จะรู้ได้ว่าบรรดาลูกหาและพานพื้นเมืองของระพินมีอาวุธประจํามือเพียงแค่ปืนลูกซองเดียวบรรจุค้างละนัดเท่านั้นซึ่งในการประจันหน้ากับช้างโขงเช่นนี้มันแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยและในภาวะจําเป็นแข่งกับความเป็นความตายจากภายัยช้างโขงเช่นนี้ปืนขนาดหนักทุกกระบอกควรจะถูกแจกใจ่ายให้ไปอยู่ในมือของพวกนั้น ไม่ใช่ให้กระบอกไหนถูกวางสงบนิ่งอยู่ในราวของมันเฉยเฉยเมื่อต่างก้าวออกมาพ้นเต็นต์ตลอดทั้งแคมป์หรือปางพักทุกคนก็ตื่นขึ้นพร้อมแล้วด้วยการปลุกของแงซทรายพวกลูกหาบยังคงงงงวยไม่ทราบสาเหตุว่าได้เกิดอะไรขึ้นได้แต่หน้าตาตื่นเริกครากแต่พรานทั้งสามของรพินรู้เรื่องแล้วทั้งเกิดเสยและจนันพากันวิ่งผูเข้ามาเชษฐากับชายยันก็ส่งไรเฟิลที่หอบอยู่แจกจ่ายไปให้คนรกระบอก พวกนั้นรับไปอย่างเข้าใจอะไรดีอยู่แล้วชนิดที่ไม่ต้องพูดกันให้เสียเวลากระบอกสุดท้ายคือจุดสามเจ็ดห้าซึ่งหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินส่งไปให้กับแง่ทรายแทนขนาดจุดสี่สี่สีู่นย์โบราณของเขาจะเอาอยัางไงกันชา ย, ยันถามขึ้นโดยเร็วระพินวางแผนไว้พร้อมสับแล้วเพราะฉะนั้นจึงบอโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดแง่ทรายจันและเสย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 เชษฐากับดาลินซุ่มประจาอยู่ที่โขดินใหญ่ลูกเดียวกันแต่คนละด้านโดยมีแง่สายเฝ้าอยู่ใกล้ๆส่วนชายยันแสดงออกโดยสัญชาตญาณนาทหารของเขาจัดกำลังพวกลูกหาประจากันอยู่ในที่ซึ่งสามารถจะให้ผลในการยิงได้มากที่สุดเป็นชุดๆไปและตัวเขาเองก็คอยควบคุมสั่งการอยู่ทางด้านพวกลูกหาบนั้นระพินยืนกระสับกระสาย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 มันอาจรู้แล้วด้วซ้ำไปว่าพวกเรามากันมากคนแล้วถ้ามันรู้ว่าเราไหวทันมันอาจโรไปก่อนก็ได้พ่านใหญ่แยกทางจากด่านที่เดินย่องมาปีนขึ้นไปบนตลิ่งอันสูงชันซึ่งเป็นเบริเวณฝั่งสูงตอนหนึ่งของน้องน้ําแล้วใช้ฝฟฉายกดแสงลงต่ําค่อยๆคลานไปตามพื้นอันเกลื่อนไปด้วยใบไม้แห้งเนื้อสีสาคือเครือของเถาวัลย์ที่พันเกี่ยวกันอยู่เป็นซุ้มทึบราวกับอุโมงค์ เกิดเลื้อยตัวเองราวกับงูมาเคียงข้างเขาคือแช่มชา้าระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวตรงไปยังริมตะลิงด้านที่ตัดชันลงสู่บริเวณหนองน้ําอีกประมาณ39ก่อนที่จะถึงริมตะลิงนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงเท้ามหึมาหลายกู่เคลื่อนไหวในบริเวณหนองน้ําเสียงพื้นเหลวบางตอนถล่มลงเพราะถูกเหยียบและป่าใหญ่เบื้องหน้าฝั่งตรงข้ามไว้ ย, ยุบยา้าม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 ถ้าเห็นจ่าโขลงตัวการก็ยิงทันทีเลยต้องยิงให้อยู่ด้วยแต่ถ้าไม่เห็นมันเห็นแต่ตัวอื่นยิงขึ้นฟ้าไล่มันไปก่อนไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยิงตัวอื่นถ้าไม่ใช่ไอ้แหวงเพราะถ้าเรายิงพวกมันเจ็บหรือตายในคืนนี้เชื่อว่าคงไม่ต้องนอนกันทั้งคืนมันคงยกโขลงกลับมาจ้องกวนเราจนรุ่งเช้าทีเดียวเกิดพยักหน้ารับในความมืดเสียงช้างที่ชุมนุมกันอยู่ริมหนองเมืองร่างเคลื่อนขบวนเลี่ยงแถวผ่าขึ้นป่าฝง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 คลิตานั่นเองป่าฝั่งตรงข้ามก็แตกสะเทือนสถานไปหมดด้วยเสียงวิ่งกระเจิงของช้างทั้งโขงไม้ไร้หักล้มราวกับถูกพายุสราตันและคนไปกับเสียงแผลแปผลอื้ออึงปนหนึ่งแผ่นดินจะถล่มทลายเสียงกรีนครีนไปเบื้องหน้าท่ามกลางความเงียบสงัดของราตีเสียงร้องด้วยความตื่นตกใจและเสียงป่าหักดังห่างออกไปอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็จางหายไปกลายเป็นความสงบตามเดิม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 ผมก็คำนึงถึงอยู่ในข้อนี้เหมือนกันจึงขนมาอย่างเหลือเฟือพอที่จะจ่ายประจามือได้อย่างทั่วถึงทีเดียวเอาล่ะครับกลับเข้าไปนอนเสียเถอะผมรับรองว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นอีกสำหรับคืนนี้ขอให้หลับสบายขณะในจ้างของเขาพากันเดินกลับเข้าไปในกระโจมพักพรานใหญ่เดินตามไปส่งจนถึงเต็นท์ิวตะเกียงเจ้าพายุเข้าไปแขวนไว้ให้ตามเดิม แล้วย้อนกลับออกมาบอกให้ลูกหาบที่ยังคงนั่ง อ, อพูดคุยกันอยู่ด้วยความตื่นเต้นตกใจหลับนอนเสียนอกจากพวกที่ถูกจัดไว้เป็นเวรผัดเปลี่ยนสมไฟแล้วก็เดินตรงมาที่แงซายผู้นั่งมวนใบยาสูบอยู่ริมกองไฟหน้าเต็นอย่าคิดว่าฉันจะเป็นผู้วิเศษจมูกขูหรือตาเป็นที่ไปเสียหมดระพินพูดห้าวห้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าแกได้กลิ่นได้เห็น หรือได้ยินอะไรที่มันผิดปกติในขณะที่ชั้นยังหลับแกจงปลุกชั้นไม่ใช่ร้อยชั้นตื่นขึ้นเองครับผู้กองหนุ่มชาวโดงผู้ลึกลับตอบเสียงต่ำลึกยิ้มอย่างที่ระพินไม่ชอบพรานใหญ่ยืนจ้องอยู่ครู่ก็ผัาไปเช้าของวันรุ่งขึ้นภายหลังเวลาอหารที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วระพินชวนคณะในจ้างของเขาออกไปสารวจรอยรอบๆ บ, บริเวณแคมป์ในละแวกใกล้เคียงและที่หนองน้า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 ถ้าจะตามกันจริงๆก็ยังไว้แต่ไอ้แหวงยังไม่ใช่เป้าหมายสําคัญของเราในขณะนี้พรานใหญ่ว่าทอดสายตามองไปยังม่านถาวรซุ้มไม้ที่ถูกแหกเป็นทางรูยับไปอันเกิดจากการเคลื่อนขบวนหนีอยังไม่มีระเบียบของมันคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าช้างโขงนี้จะเป็นโขงไอ้แหวง่งชายันสงสัยสัญชาตญาณเคยชินบางสิ่งบางอย่างที่ผมก็อธิบายไม่ถูกครับ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 แต่รพินพายวันไม่สนใจกับอาการเดือดดานไม่พอใจของหล่อนพระเดินจากไปพร้อมกับเซยปล่อยให้หม่อมและชวงหญิงคนสวยจ้องตาขุ่นเคียวตามหลังไปหล่อนหันไปบ่นอย่างโกรธแค้นกับสองชายซึ่งเป็นพี่และเพื่อนได้ยินไหมคะพี่ใหญ่ชยันได้ยินตาพานนั้นพูดกับน้อยไหมนี่ต่อหน้าต่อตาพี่ใหญ่ทีเดียวนะวาจาสามหาวกะ ด, ด้างยั่วยวนโทสะอยู่ตลอดเวลา